นะโมตัสสะปะกวาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภกะกวาโตาราโตสัมมาสัมพุทธะข้านอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะเรื่องของการปดรินิพานมีในสมัยหนึ่งที่กลางปา่านอกนครเบสาลีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรอย่างนี้ว่าสารีบุตร มีสมณพราหม์พวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ว่าช่วเวลาที่บุรุษยังเป็นหนุ่มมีผมดำสนิทประกอบด้วยความหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัยก็ยังคงประกอบด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวอยู่เพียงนั้นแต่ว่าเมื่อใด บุรุษนี้แกเท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านไวัยไปแล้วมีอายุได้แปดสิบปีเก้าสิบปีหรือร้อยปีจากการเกิดเมื่อนั้นเขาย่อมเป็นผู้เสื่อมสิน้นจากปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวสารีบุตรข้อนี้ เธออย่าเพิ่งเห็นอย่างนั้นเรานีแหลในบัดนี้เป็นคนแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการป่านไว้มาแล้ววัยของเรานับได้แปดสิบปีแต่ธรรมเทศนาที่แสดงไปนั้นก็มิได้แปรปรวนบทพยัญชนะแห่งธรรมะของตาตาคต ก็ไม่ได้แปรปรวนปฏิพาน์ในการตอบปัญหาของตถาคตก็ไม่ได้แปรปรวนสาริบุตรแม้ว่าถ้าพวกเธอทั้งหลายจะนำเราไปด้วยเตียงน้อยๆสำหรับหามคนทุปลาภาพแต่ความแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นแห่งปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไว ของตถาคตก็ไม่ได้มีสารบุตรถ้าผู้ใดจะพึงกล่าวให้ถูกให้ชอบว่าสัตว์มีความไม่ลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุกราโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายน่นี้แล้วผู้นั้นปึงกล่าวซึ่งเราผู้เดียวเจ้านั้นในลำดับนั้นท่านพระนนได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วรูปคลำทั่วปรวารากายของพระผู้มีพระภาคอยู่แล้วปลางกล่าวถ้อยคำนี้ขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อนี้น่าอาศัศจรรย์จิงข้อนี้ไม่เคยมีมาเลยคือในบัดนี้ชวีวันของประผู้มีพระภาคไม่ผุดป่องเสร็จแล้วและประกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยานมีพระองค์คว้อมไปข้างหน้าอินสีทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูจ ม, มูกลิ้นและกาย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 หย่อนยานมีตัวค้อมใบข้างหน้าอินสีทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นและกายแต่ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาซื้อไปว่าท้าเอ๋ยความแก่อันชั่วช้าเอ๋ยความแก่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 มีในอีกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณแว้นสากะได้ตรัสกับจุนทะสามเณรอย่างนี้ว่าจุนทะในบัดนี้เราเป็นาศาสดาบังเกิดขึ้นในโลกเป็นอารหาันตะสมมาสมพุทธะอันหนึ่งธรรมะเราได้กล่าวไว้ดีแล้ว ได้ประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากห่วงทุกข์เป็นไปพร้อมเพื่อความสงบประงับชื่อว่าประกาศมาแล้วโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันหนึ่งสาวกทั้งหลายเราก็ได้สอนให้รู้แล้วในพระสัตธรรมพระมรรจันทร์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง สำหรับสัตว์เหล่านั้นเราได้กระทาให้แจ่มแจ้งทำให้เป็นของายคือเข้าใจได้ทันทีทำให้เป็นบทสงเคราะห์ทำให้เป็นสิ่งที่ประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์พอเพียงเพื่อให้ประกาศได้ดีด้วยโดยเทยวดาและมนุษย์ทั้งหลายซื่อไปได้แล้วจุนทะ ในบัดนี้เราเป็นาศาสดาที่แก่เท่าเป็นผู้ใหญ่เกิดนานมีวัยยืดยาวผ่านไปแล้วโดยลําดับฉุนทะก็ในบัดนี้ภิกษุผู้เทระผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่ล้วนเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้จูงใจได้เป็นผู้กล้า รู้ธรรมเป็นเครื่องกเกษมจากโยคัสแล้วสามารถจะบอกสอนสัตธรรมสามารถมกมขีไต่คำอันเป็นข้าศึกที่บังเกิดแล้วให้สงบราบคาบโดยธรรมแล้วแสดงธรรมพร้อมทั้งความน่าอัศจรรย์ได้จุนทะในบัดนี้พิงสุผู้ปูนกลาง และผู้ใหม่ผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่ในบัดนี้ภิกษุณีผู้เป็นเทระผู้ปูนกลางและผู้ใหม่ผู้เป็นสาวิกาของเราก็มีอยู่จุนทะในบัดนี้นนนน อ, อ, นนนอุบาศกอุบาสิกาผู้เป็นเกลอดนุ่งห่มขาวประพฤติประมาจัน และผู้เป็นกระลึงหัดที่ยังบริโภคกรรมผู้เป็นสาวกสาวิกาของเราก็ยังมีอยู่คือในบัดนี้พรหมจรรย์คือาศาสนาของเรามั่งคั่งเจริญแพร่หลายเป็นที่รู้จักของมหาชนเป็นปึกแผ่นป่อเปื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ประกาศได้ด้วยดีสืบไปได้แล้วอานอนนมาเถิดเราจะไปสู่บ้านเวรุวะขามในที่นั้นได้จำปัรษาที่บ้านเวรุวะขามนี้ในพรรษาสุดท้ายนั้นทรงประชวนหนักแต่มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนาไว้ได้ ครันหายจากอาการป่วยแล้วพระอ น, นุลยังให้ทูลตรัสสอนเรื่องสำคัญสำคัญอีกในที่นั้นได้ตรัสกับท่านพระอนนล์อย่างนี้ว่าอ น, นุลพิสูุสงฆ์จะยังหวังอะไรในเราอีกเล่าธรรมะเราได้แสดงแล้วไม่ขาดระยะไม่มีอื่น นอกจากที่แสดงแล้วไม่มีกำมือในธรรมะคือธรรมะที่ยังกำไว้ไม่เปิดเผยให้ดูแกตตาโคตเลยอา น, นุนในบัดนี้เราเป็นผู้แก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านไวัยนานโดยลำดับวัยของเราเป็นมาได้แปดสิบปีแล้ว อานน์กายของตาตาคตคร่ำคร่าแล้วเปรียบเหมือนเกวียนคร่ำคร่าที่เขาซ่อมแซมปะทะปะั่งไว้ด้วยไม้ไผ่แต่ในที่นั้นได้เสด็จไปสู่ปาวาละเจดีเมืองไวสาลีได้ตรัสกับท่านบรานน์อย่างนี้ว่าอานนนมาเถิด เธอจงถือผ้าปูนั่งไปเราจะไปสู่ป่าบาละเสดีเพื่อนั่งพักตลอดเวลากลางวันนี้ในที่นั้นมานผู้ใจบาปได้เข้ามาหาพระผู้มีพระภาคและได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพนานเสถิดบัตรนี้ ถึงเวลาปรนนิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเพราะพระองค์ได้ตรัสไว้ในการก่อนว่าจะยังไม่ปรินิพพานจนกว่าพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจะมีพร้อมมูลจนกว่าประมจันคือศาสนาจะมั่งคั่งจเจริญแพร่หลายเป็นที่รู้จักของมหาชน เป็นปึกแผ่นปอเพื่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะประกาศได้ด้วยดีสื่อไปก็ในแบบ น, นี้ประมาจันของพระผู้มีพระภาคมั่งคั่งแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงบริณิพานเถิดขอพระสุคตจงบริณิพานเถิดในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปว่ามันผู้ใจบาป เธอไม่ต้องกวนขวายหรอกไม่นานเลยตาตาคตจะปรินิพันธ์อีกสามเดือนจากนี้ตาตาคตจะปรินิพันธ์และได้ตรัสเล่าเรื่องนี้ให้กับท่านบรานน์ฟังว่าอ น, นุนในบัดนี้เรามีสติสัมปชัญญะปรงอายุสังขารแล้วนะปาวาละ เจดีอย่างนี้ในการใดที่ ต, ตาคตมีสติสัมปชัญญะป r งอายุสังขารในการนั้นแผ่นดินย่อมวันไหวเสันสถานสถเทือนอนอนอย่าเลยเธออย่าวิ่งบอล ต, ตาคตเลยนี่ไม่ใช่เวลาจะวิ่งบอร ต, ตาคตเสร็จแล้ว อ น, อนุต์ตถาคตได้บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์จะต้องปลดปรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นการที่สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังการนี้แต่ที่ไหนเล่าก็ที่สัตว์จะวางเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับ เป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้นั้นอย่าชิบหายเลยดังนี้ย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้อานนท์สิ่งใดที่ตาตาคดพ้นแล้วขายแล้วปล่อยแล้วละแล้วสลัดขื่นแล้วสิ่งนั้นคืออายุสังการที่ตาตาคตปลงลงแล้วตาตาคต กล่าวว่าจะตายตัวแล้วว่าจะมีการปรินิพพานในไม่ช้ า, ถาตถาคตจะประินิพพานต็คกบสามเดือนจากนี้การที่จะคืนคำนั้นแม้พระเหตุจะต้องเสียชีวิตก็ไม่เป็นสิ่งที่จะเป็นไปได้เลยปีสุรหลายก็ธรรมะเหล่าใดที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ธรรมะเหล่านั้นพวกเธอจงเรียนเอาให้ดีพึ่งเสพให้ตั่วถึงพึ่งเจริญกระตามไม่มากโดยอาการที่ประมจจนนี้จะมั่นคงร่้งอยู่ได้ตลอดกาลนานข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแกมหาชนเพื่อความสุขแกมหาชนเพื่ออนุกราโลก เพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะเล่าไหนเล่าที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งนั่นคือสติปัฏฐานสสมปัฏฐานสี่อิทธิบาทสอินสียห้าพละห้าพ่อจงเจ็ดและ อริยมรรคมีองค์แปดกิสูนทงหลายการปรินิพพานก่องตตาคตจะมีในการไม่นานเลยตตาคตจะปฏินิพพานโดยการล่วงไปสามเดือนจากนี้ด้ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าสัตว์ทั้งปว ง, งทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่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 ฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉะ น, นั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจะละพวกเธอไปสารณะของตัวเองเราได้ตามไปแล้วพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท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 ใบสาลีของตาตาโกศครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายและในครั้งนั้นก็ได้เสด็จไปโดยลําดับสู่เมืองปาวาประทับที่สวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมารบุตรได้รับพัตาหารมือสุดท้ายจากเขาได้ตรัสกับนายจุนทะอย่างนี้ว่าจุนทะ สุกรมัตวะที่จัดไปนี้เธอจงนำมาเลี้ยงเราอาหารและโภชนะอย่างอื่นที่ตกแต่งไว้จงนำไปเลี้ยงหมู่ภิกษุเถิดจุนทะสุกรมัตวะที่เหลือนี้เธอจงฝังเสียในบ่อเราไม่มองเห็นใครในโลกพร้อมทั้งเทวโลกบรโลก ปรมาโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ที่บริโภคแล้วจะให้ย่อยได้นอกจากตถากตในจากนั้นก็เกิดอาการประชวรด้วยโรคโลงโลหิตได้เสด็จไปยังเมืองกุสินาราในระหว่างทางได้ส่งแวะพักนั่งนะ ร่มไม้แห่งหนึ่งได้ตรัสกับท่านพระนนบ่าอ น, อนนท์เธอจงปูผ้าสังกติพับเป็นสี่ชั้นให้เราเถิดเราลำบากกายนักเราจะนั่งพักในที่นั้นท่านพระนนท์ได้สังเกตเห็นชีวิบันของพระผู้มีพระภาคฟ่องใส ย, ยิ่งนักจึงได้ตูลถาม ได้ตรัสกับท่านบราณ น, นในที่นัน้นว่าอานน์นั่นต้องเป็นอย่างนั้นนั่นต้องเป็นอย่างนั้นกายของตถาคตย่อมมีชวีวันผุด่องในการสองครั้งคือในราตรีที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตระสัมมาสัมปชัญาะและในราตรีที่ตถาคตปฏินิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสะนิพานตาดอ น, อน์การปณิพานของตถาคตจะมีในระหว่างตนสาระคู่ในสวนป่าสาระอันเป็นที่แวะพักกลางทางของพวกบรรดกษัตย์ใกล้เมืองกุศินราในตอนปั จ, จิมยามของคืนนี้ในที่นั้นได้ทรงเสด็จข้ามแม่น้ำ กะกุทานทีสรงน้ำครั้งสุดท้ายที่แม่น้ำนั้นแล้วเสด็จเข้าสวนอัมพวันประทับนอนพักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกะกุทานทีได้ตรัสกับท่านพระอา น, นุนพระรบนายจุนทะอย่างนี้ว่าอา น, นุนคงจะมีใครําความเดือดร้อนให้แก่นายจุนทะ กำมารบุตรโดยกล่าวว่าจุนทะการที่ท่านถวายบินดาบาทครั้งสุดท้ายซึ่งหาได้ยากนั้นไม่เป็นลาบเสียแล้วดังนี้อานอน์เธอพึงกาจัดความเดือดร้อนนั้นเสียโดยกล่าวว่าอาหารบินดาบาตครั้งสุดท้ายที่ท่านได้ถวายนั้นเป็นความดีแล้ว เป็นลาบของท่านแล้วเพราะเราได้ฟังมาจากเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอาหารบินาบาบสองครั้งที่มีผลเสมอกันมีผลยิ่งยอดกว่าบินาบาบอื่นๆคือบินาบาต ท, ที่พระตาตากฏเจ้าเสบยแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปธียานนี้อย่างหนึ่ง และที่สวยแล้วปณิพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพานาธานี้อย่างหนึ่งกุศลกรรมที่นายจุนทะสร้างสมแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออายุวันนะความสุขยศสวรรค์และความเป็นใหญ่และได้ตรัสคำที่เป็นกาถาเสื่อไปว่า บุญย่อมเจริญงอกงามแก่ตายกผู้ให้อยู่ผู้ให้อยู่เวนย่อมไม่สืบต่อแก่บุคคลผู้ระงับเวนเสียได้คนฉลาดเท่านั้นละบาปเสียได้แล้วก็นิพพานเพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะและโมหะอา น, นุนมาเถิด เราจะไปสู่ฝั่งโนนแห่งแม่น้ำหิรัญยวดีไปยังสวนป่าสาละอันเป็นที่แววพักของพวกมัลละกษัตริย์ใกล้เมืองกุสินารารเมื่อเสด็จถึงในที่นั้นแล้วได้ตรัสให้ท่านพระอานนตั้งเตียงประนิพนอานุออ น, นเธอจงจัดตั้งที่นอน ระหว่างต้นสาระคู่มีสีษัต่างทิศเหนือเราลำบากกายนักเราจะนอนกรันประทับสีห์สยยาด้วยความคิดว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วก็มีอัศจรรย์คือดอกสาระผลิผิดฤดูโปรยลงบนพระสรีระของทิพย์คือดอกบนดารบ จุนไม้ฉันหอมและดนตรีได้ตกลงและบรนเลงขึ้นเพื่อบูชาพระตถาคตเจ้ า, านอนนท์การบูชาเหล่านี้หาได้ชื่อว่าตถาคตเป็นผู้ได้รับการสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วไม่นอนนท์ส่วนภิกษุภิกษุณีอุบาสก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 สมควรแก่ทมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามตามอยู่อ น, นุนพวกเธออย่าขวนขวายเพื่อจัดการบูชาสรีระของตถาคตเลยจงสืบต่อจงพยายามกำหนดอยู่ในประโยชน์ของตนคือตั้งหน้าปฏิบัติเติดจงมีความเพียนกำหนด อยู่ในประโยชน์ของตนเติดอานอนท์เธออย่ากล่าวว่ากุสีนารานี้เป็นเมืองน้อยเมืองดอนหรือกิ่งเมืองเลยก็ครั้งก่อนพระราชาพระนามว่ามหาสุทัศเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชามีอนณาเขตจรดมหาสมุทรทั้งสี่ เป็นผู้ชนะสงครามมีชนบทมั่นคงประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการก็เมืองกุศินารานี่แหละเป็นราชธานีของพระเจ้ามหาสุทัศน์ในครั้งนั้นชื่อว่ากุสาวดียาวทางตะวันออกตะวันตกส2องโยน์กว้างต่างทิศเหนือใต้เจ็ดโยธ์เกลื่อนกลนไปด้วยมนุษย์ อ น, นุนเธอจงดูเถิดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดได้ล่วงไปแล้วดับหายไปแล้วแปรบรวนไปสิ้นแล้วสังการทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเช่นนี้เองเป็นของไม่ยั่งยืนเช่นนี้เองเป็นของที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้เองเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อจะเบื่อหน่ายในสังการตั้งปวงพอเพื่อจะกายกำนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นอนุนเรารู้ที่ที่เป็นหลุมฝังเราเขาฝังสรีระของเราไว้นาที่นี้การทอดติ้งร่างเหนือแผ่นดินครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดของเราในชาติที่เป็นพระราชา ฉันพระเจ้าจักรพรรดิอานนท์เธอจงเข้าไปเมืองกุสินาราบอกแกมละกตริย์ทั้งหลายแห่งเมืองกุสินาราว่าในยามสุดท้ายแห่งราตรีของวันนี้การปรินิพพานของพระตถาคตเจ้าจะได้มีขอเชิญท่านทั้งหลายรีบไปขออย่าต้องเดือดร้อนใจในภายหลังว่า การบริรณิพานของพระตถาคตเจ้าได้มีแล้วในเหตุกามของพวกเราแต่พวกเราไม่ได้เห็นพระตถาคตเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายและได้ตรัสคาที่เป็นคาถาซื่อไปว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาบางเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป การเข้าไปสงบระงับสังการเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุขดังนี้อ น, นุนความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระาศาสดาล่วงรับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระาศาสดาดังนี้พวกเธออยากคิดดังนั้น ธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเถิาทั้งหลายธรรมะวินัยเหล่านั้นจะเป็นศ า, ศาสดาของพวกเถิาทั้งหลายโดยการล่วงไปของเราและในการอันเป็นเวลาจะประินิพพานนั้นได้ตรัสให้โอวาทนี้ไว้เป็นครั้งสุดท้ายว่าพี่สุดทั้งหลาย ในบท น, นี้เราจะเตือนผู้เหลือทั้งหลายว่าสังการทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาโพรเธอจงดึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดพร้อมกับการเสด็จปฏิธินิพานก็ได้เกิดแผ่นดินไหวอันใหญ่หลวงเกิดความขนพองสยองกล้าวน่าสะบึงกลัวทั้งกล่องทิ่ ก็ได้บรรลือขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วท้าวสามดีปรมได้กล่าวคาถานี้พร้อมกับการเป็นที่ปรินิพพานว่าสัตว์ทุกหมู่เหล่าจะทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกพระตตาคตผู้าศาสดาผู้หาบุคคลเปรียบไม่ได้ในโลกถึงแล้วซึ่งกำลังประยาน เป็นพระสัมมาสัมพุทธะเช่นนี้ยังปรนนี้ผ่านแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคปรนนี้ผ่านแล้วเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่ของตววเทพทั้งหลายได้กล่าวกาถานี้ขึ้นว่าสั่งการทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความเข้าไปสงบระงับสังการเหล่านั้นเป็นสุขเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วท่านพระอนุรุตได้กล่าวคาถานี้ขึ้นว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ได้มีแล้วแล่พระผู้มีพระภาคผู้มีจิตตั้งมั่นคงที่พระผู้มีพระภาค มีจากสุไม่ทรงหวันไหวทรงปรารบสันติปรินิพานแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วท่านพระอนุนได้กล่าวค า, วาวถานี้พร้อมกับการเป็นที่ปรินิพานว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยอาการอันประเสริฐทั้งปวงปรินิพานแล้ว ความสยดสยองและความชูชันแห่งโลมาชาติได้มีแล้วในการนั้นเมื่อปราผู้มีพระภาคเสด็จปริณิผ่านแล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นภิกษุเหล่าใดยังมีราคะไม่ไปปราดแล้วภิกษุเหล่านั้นบางพวกประคองแขนทั้งสองกร่ำครวญอยู่ ล้มลงกลิ้งเกลือกไปมาดุดมีเท้าอันตัดขาดแล้วรำพันว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จปณิพานเสียเร็วนักพระสุคตเสด็จปริธิธานเสียเร็วนักพระองค์ผู้มีจากสุในโลกอันตรทานเสียเร็วนักส่วนภิกษุเหลา่าใดมีราคะไปปราดแล้วภิกษุเหล่านั้น มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นด้วยธรรมสังเวชว่าสังการทั้งหลายไม่เที่ยงก็ที่จะให้ได้ตามใจหวังในเรื่องนี้นั้นสัตว์จะได้มาแต่ที่ไหนเล่าดังนี้เรื่องของการปรินิพานจบฟังธรรมกรมพุทธะ